ผู้เห็นอะไรอะไรตามความเป็นจริงในกายในใจไม่มีอะไรหลอกได้ถ้าเราไม่รู้จะมีแต่สิ่งที่หลอกเราทั้งนั้นหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนการฟังธรรมนี่ก็ช่วยเราได้แง่คิด ได้วิธีคิดที่ถูกต้องเมื่อเราได้วิธีคิดที่ถูกต้องแล้วเราก็จะได้นำเอาไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างมีสติเพราะธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่เกื้อกูลชีวิตเราทั้งนั้นทาให้เรารู้จักคิดรู้จักท ำ, ทำจิตทาใจไม่ให้เป็นทุกข์แทนที่เจอสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่น่าจะเป็นทุกข์แต่ถ้าเราสามารถที่จะมีข้อมูล มีความรู้เรื่องธรรมะไว้บ้างเนี่ยเราก็จะทําใจไม่ให้ทุกขได้เรื่องที่น่าทุกขน่าจะเป็นทุกขแต่พอมีธรรมะเนี่ยมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นไม่ทุกขก็ได้แถมยังทําให้เรามีความสุขด้วยดีนะธรรมะเนี่ยต้องช่วยเชียร์กันหน่อยโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเนี่ยสติเนี่ยจะเรียกว่าเป็นผู้นําทางด้านจิตวิญ ญ, ญาณก็ว่าได้ไม่มีอะไรนําจิตวิญ ญ, ญาณ ด, ดีเท่ากับสติสัมปชัญญะรวมถึงด้วยปัญญาสนตะิสัมปชัญญะถ้าพูดถึงสติสัมปชัญญะแล้วก็ไม่ต้องพูดเรื่องปัญญามันเรื่องเดียวกันถือว่าผู้นํำทางจิตวิญญาณของเราก็คือสติสัมปชัญญะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเราคิดแล้วก็พูดแล้วก็ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเรารู้ไม่ทันในตัวนี้แล้วก็ก็ทําทให้ชีวิตเราในผิดพลาดได้ในแต่ละวัน ถ้าเรามีสติมีความรู้ตัวทั่วพร้อมมันก็จะมีการไข่ครวญอาการไข้ครวญ น, นี่ก็คือความคิดละคิดไข่ครวญก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำผลก็ออกมาดีมีประโยชน์ถ้าก็เราขาดสติการคิดไข้ครวญที่ถูกต้องมันก็จะไม่เกิดขึ้นบางทีพูดไปทําไปมันก็ผิดชีวิตก็ผิดพลาดก็มาเสียดายเสียเวลา เพระนันถือว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้เราใไข้ครวนเสกอนการไข้ครวนคือใข้ครควนด้วยสติเสกอนเราค่อยทำค่อยพูดไปเลยต้องมาหมั่นที่จะเจริญฝึกจิตฝึกใจเราให้มีความรู้สึกตัวเข้าไว้ให้สติมันนําหน้าความคิดอย่าปล่อยให้ความคิดมันนําหน้าเสมอไปถ้าสตินาหน้าความคิดเราก็มันปลอดภยัย แต่ถ้าเราพลาดท่ามันคิดขึ้นมาก่อนมันก็ไม่เป็นไรหรอกพอคิดปั๊บมีสติรู้ปุ๊บเนี่ยโอ้มันทันควันพอคิดมันก็ดับไปไหมแต่ที่จะออกมาทางกายทางวาจามันก็หยุดอยู่แค่นั้นหยุดอยู่ตรงที่รู้ทันความคิดของตัวเองเราจึงต้องมันจเจริญเขาไว้มันจเจริญสติเว้ารู้สึกตัวเขาไว้ยันรู้สึกตัวเขาไว้สติจะได้นำหน้าความคิดนำหน้าอารมณ์อันนี้จะปลอดภัยล่ะ จะ ต, ตามหลังความคิดแล้วก็มันก็ยังดีที่ว่าเราทันมันก็ใช้ได้ถ้าไม่ทันแล้วก็เราเผลอหลุดไปเลยหลุดตามอารมณ์ไปเลยเนี่ยมันจะเกิดปัญหานะการเจริญสติเนี่ยัวเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นเรื่องของตัวเราด้วยเรื่องของตัวเราเนี่จะต้องไปทำที่ไหนก็ทำที่ตัวเราเริ่มต้นจากตัวเราเริ่มต้นจากกายเริ่มต้นจากจิตมันเป็นชีวิตของเราเน แล้วกายกับจิตนี่อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ชีวิตประจําวันที่ปัจจุบันนี่แหละรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเริ่มต้นในการรู้กายลงท้ายก็รู้ที่จิตที่ใจมันก็สมบูรณ์แบบอยู่แล้วในตัวมีสติรู้กายมีสติรู้จิตที่มันคิดมันนึกเนี่ยแค่นี้สมบูรณ์บวกกับปัจจุบันลงไปด้วยเนี่ยก็ทําที่ไหนก็ได้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ เวลากายที่มันเคลื่อนเคลื่อนไห ว, วให้มีสติรู้อาการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยมันช่วยกระตุ้นจิตให้มันรู้สึกตัวได้ง่ายๆให้จิตมันรู้อาการกายที่มันเคลื่อนเคลื่อนไห ว, ไวนี่แหละเป็นการสร้างสติให้มันตื่นรู้ตื่นรู้เนี่ยอันนี้ถือว่าทําได้คนที่ชอบคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านหลงก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็อาศัย้กายที่มันเคลื่อนเคลื่อนไห ว, ไว เอามาลึกสุดตัวได้มันจะหลงไปก็กลับมารู้สึกมันจะหลงได้ไม่นานนะเพราะมันมีหลักเกาะเอาไว้หลงได้เม็นหานมีกายเป็นเครื่องเกาะแล้วก็มันจะหลงไม่นานกลับมาก็มีที่เกาะถ้าใครไม่มีหลักของการปฏิบัติเนี่ยเวลาหลงเวลาเผลอมันก็ไปนานบางทีรู้ตัวแล้วกลับไม่ถูกก็มีนะรู้ว่ามันหลงแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นให้มันรู้ได้ตรงไหนแต่มีอาศัยมีกายเคลื่อนไหวแล้วก็มันก็หลงได้ไม่นาน ไอ้ความคิดที่มันปรุงแต่งฟุ้งซ่านที่หมกมุ่นเนี่ยมันก็จะพลอยที่จะสลายลงไปกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันช่วยสลายพฤติกรรมของจิตที่มันคิดนึกปรุงแต่งได้ง่ายๆเมื่อเรารู้กายจนชานาญแล้วเนี่ต่อไปมันก็รู้จิตได้ชํานาญเหมือนกันพอชำนาญนทั้งกายทั้งจิตแล้วเนี่ยสบายละเพราะมีจิตผู้รู้อยู่แล้วก็เลือกได้อะไรเกิดก่อนก็รู้ก่อน อะไรยังไม่เกิดมันก็ต้องไปคิดหารู้มันมันจะเป็นความคิดจิตเกิดก่อนก็รู้จิตได้ก่อนมันรู้ได้ทางนั้นแหะแต่ละวันรู้ตัวทั่วพร้อมมันพร้อมที่จะรู้ได้เลยเนี่ยเป็นการเจริญสติที่เราทําได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันแต่ถ้าหากว่าเราทําไปแล้วหรือเกิดความเคร่งเครียดในการปฏิบัติก็ไม่เป็นไรหรอกความเครียดในการใช้ชีวิตหรือความเครียดในการเจริญสติ มันก็นเป็นเรื่อ ง, องจิตใจทั้งนั้นแหละเรื่องของร่างกายเนี่ยเครียดทางกายเนี่ยมันไม่ยากพักผ่อนมันก็หายได้ง่ายๆแต่ถ้าเครียดทางจิตเนี่ยอาจจะเกิดจากความคิดเกิดจากความตั้งใจถ้าเกิดจากตัณหาเพราะทำให้จิตมันเครียดได้เหมือนกันก็ไม่เป็นไรเราก็จะสลายความเครียดได้รู้จักที่จะเปลี่ยนอเエียบทซะบ้างโดยเฉพาะระดับสายตาเนี่ยการทํางานที่สําคัญนะ เราใช้สายตาเพ่งไปที่งานของเราเนี่ยมันทีมก็เครียดหรือมองอะไรจุดใดจุดหนึ่งนี่มันก็เครียดแล้วก็ต้องเปลี่ยนระนดับสายตาบ้างเปลี่ยนระดับสายตามองไกลๆมองไปรอบๆตัวบางทีแค่เปลี่ยนระดับสายตาเนี่ยมันก็คลายเครียดทางจิตได้เหมือนกันกเรียกสลายพฤติกรรมของจิตที่มันหมกมุ่นอยู่กับงานหมกมุ่นอยู่กับความคิดมองไปรอบๆตัวเรามองไกลๆอันนี้ก็ช่วยจิตใจเรา ให้หายเครียดให้ผ่อนคลายได้หรือถ้ายังไม่หายแล้วก็เปลี่ยนยาบทได้ไปไปทำอะไรก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายไปทําสิ่งอื่นๆรอบตัวเรายิ่งทําสิ่งที่เป็นประโยชน์จัดของจัดบางสิ่งบางอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางเนี่ยกวาดพื้นถบูบ้านจัดโต๊ะจัดหนังสือเนี่ยมันก็ช่วยคลายเครียดเดือนกันพฤติกรรมเหล่านี้ยิ่งเราทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มันก็มีความสุขไปในตัว เป็นการคลายเครียดจิตก็ผ่อนคลายมันก็มีความสุขด้วยวิธีการแก้ไขมีหลายแบบเป็นการแก้ความหมกมุ่นอยู่กับการงานแล้วก็จะผ่อนคลายถ้าเราจะมีสติต่อเนื่องก็มีได้ให้รู้สึกสบายๆรู้สึกสบายๆแบบห่างๆแบบดูๆแบบผ่อนคลายเนี่ยจิตมันก็จะเป็นกลางไปเองถ้าเราไปเพ่งไปคอยระวังไปจับไปเกาะแล้วก็มันจะเครียดนนะ มันพาจิตเข้าคุกอย่างนั้นจิตมันก็ไม่ชอบมันก็เครียดหนักก็ไปใหญ่เลยต้องรู้แบบผ่อนคลายสบายๆมันไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่รู้อะไรก็ไม่เป็นไรหแต่เรารู้สึกตัวมันก็มีความผ่อนคลายในตัวจิตมันก็เป็นกลางไปเองอย่าไปบังคับจิตให้เป็นกลางถ้าบังคับจิตให้เป็นกลางเนี่ยไอ้ความบังคับเนี่ยคือตัณหาถ้ามีตัณหาแล้วมันกลางไปไม่ได้มันจะเพิ่มความเครียดก็ไปใหญ่ก็รู้เฉยๆเนี่ยจิตก็เป็นกลางอยู่แล้ว รู้ยวงห่างรู้ตามที่มันเป็นอันนี้แหละจิตจะเป็นกลางแล้วมันจะเกิดวิปัสสนานะสติเนี่ยเมื่อเจริญบ่อยๆเนี่ยถ้าเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วก็ก็จะเกิดเป็นวิปัสสนาคือเห็นตามที่มันเป็นวิปัสสนาคือเห็นตามที่มันเป็นนะอย่างเช่นเวลากายมันเคลื่อนเคลื่อนไว้โอ้เห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นรูปรูปมันเคลื่อนรูปมันไหวเห็นรูป ตามที่มันเป็นจริงแล้วอ๋อมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวแล้วเป็นรูปที่มันเคลื่อนไหวเห็นจิตที่มันคิดมันนึกแต่เห็นตามที่มันเป็นจริงแล้วก็จิตที่มันคิดเป็นนามคิดไม่ใช่เราคิดเป็นนามคิดถ้าเป็นเราคิดมันก็เครียดอ๋อถ้ามันเป็นนามที่มันคิดเป็นเรื่องของจิตเรื่องของนามธรรำมันไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยมันก็ถอนตัวออกจากไอ้ความคิดนั้นได้กายที่มันเจ็บไข้ได้ป่วย โอนี kind of ่ม no. well, ันรูปป่วยนะรูปมันเป็นก็มันอย่างนั้นเองรูปมันไม่เที่ยงรูปมันเป็นทุกข์รูปมันบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นรูปเป็นรูปคือเห็นตามที่มันเป็นแต่เห็นอยากให้มันเป็นแล้วก็เนามันไม่น่าป่วยเราไม่ชอบเลยความป่วยไข้เนี่ยมันน่าจะสวยมันน่าจะหล่อมันทําไมขี้เลองเนี่ยไปเห็นอยากให้มันเป็นแล้วก็มันเป็นตัญหาอันนี้จะว่ายังไม่เห็นตามที่เป็นจริง จิตใจก็เหมือนกันคือส่วนของนามของจิตใจเนี่ยแต่เห็นอยากให้มันเป็นแล้วก็ไม่ต้องคิดดีๆจิตต้องสงบจิตจะต้องรู้อย่างต่อเนื่องจิตต้องไม่หลงเนี่ยคือเห็นอยากให้มันเป็นมันเป็นตันหาแต่เห็นตามเป็นจริงตามที่มันเป็นแล้วก็อ๋อจิตมันเป็นอย่างนี้เองเนี่ยมันไม่เที่ยงนะเราไม่สามารถบังคับบัญชามันได้จิตมันก็คือจิตมันก็คือนามธรรมมันไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของนามธรรม มันก็เห็นถูกต้องมันเกิดวิปัสนาวิปัสนาก็คือเห็นตามที่มันเป็นไม่ใช่เห็นอยากให้มันเป็นอันนี้เร า, าเห็นถูกต้องเห็นกายเห็นจิตหรือเห็นรูปเห็นนามว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนกายสักแต่ว่ากายจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างนี้แสดงว่ารู้ชัด เขามรู้ชัดนี่ไม่ใช่มองให้ชัดชัดรู้ชัดคือรู้ตามที่มันเป็นนี่ได้ปัญญาแต่ถ้าอยากให้มันเป็นแล้วก็มันคือตัณหาอันนี้ไม่ใช่รู้ชัดตัณหาคืออยากให้แดงใจเรารู้ตามที่มันเป็นคือปัญญารู้อยากให้มันเป็นมันคือตัณหาให้แดงใจเราเนี่ยจะถูกหลอกนะถ้ารู้อยากให้มันเป็นแล้วก็ถูกหลอกแน่นอนถ้ารู้ตาที่มันเป็นแล้วก็ กายกจิตหลอกเราไม่ได้กิเลสหลอกเราไม่ได้มันก็ไม่เครียดมันก็ผ่อนคลายสบายเลยการเจริสติเนี่ยสบายเลยสบายที่ว่าทรหน้าที่รู้เท่านั้นเป็นผู้ดูเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้แสดงสติคือผู้ดูรูปนามขันห้าคือผู้แสดงใช่ไหมถ้าเราไปเป็นผู้แสดงเนี่ยพยายามเปลี่ยนเข้าไปแทรกแซง เขาไปทําอย่างงน้นทํานี้ดึง ใ, ใจเราเนี่ยนี่คือผู้แสดงมันก็เหนื่อยก็เครียดไม่ใช่วิปัสนาแต่ถ้าอ๋อสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้ไม่ต้องไปสนใจลนะแค่รู้เฉยๆเพราะที่ดูเนี่ยไม่ได้แสดงไม่เหนื่อยไม่เครีสบายเลยดูดูอะไรดูขันห้ารูปนามมันแสดงไม่ต้องเขาไปเล่นไม่ต้องไปกํากับเป็นเพียงผู้ดูเนี่ยมันจะรู้ชัดนะเป็นผู้ดูนี่จะรู้ชัดรู้ตามที่มันเป็นจริง สบายที่ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปแสดงอะไรเพียงแค่ดูดูอยู่หา่างจิตมันก็เป็นกลางก็จะมีแต่ความผ่อนคลายจะเกิดสภาวะที่ดูได้นั้นต้องขยันเ จ, นจเริญสติให้มากๆสติเมื่อเราจเจริญมากๆเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเกิดปัญญาที่ปล่อยวางกายปล่อยวางจิตไม่ยึดติดว่าเป็นตัวเป็นตนตของเราเนี่ยมันปล่อยวางได้ต้องเริ่มต้นในการเจริญสติผลสุดท้าย ก็ต้องปล่อยวางปล่อยวางไม่กระทั่งตัวผู้ดูผู้รู้ไม่มีอะไรมีแต่สภาวะที่รู้สึกโดยธรรมชาติเริ่มต้นเลยการเจริญสติลงไปด้วยปล่อยวางยิ่งทําก็ยิ่งสนุกในการปฏิบัติสนุกดูสนุกรู้สนุกปล่อยสนุกวางสนุกการเจริญสติดูดีๆฮะมันจะสนุกสนุกรู้สนุกปล่อยสนุกวางแต่ตอนนี้นี่ยังปล่อยยังวางไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้ยังปล่อยไม่ได้ก็ไม่เป็นไร รู้สึกตัวไปเรื่อยๆเอีกไม่ช้าก็ปล่อยวางได้เองอย่าขี้เกียจอย่าท้อแท้ในการปฏิบัติในการกลัลยาสติในแต่ละวันขยันเข้าไว้สร้างความเพลี่ยน้าไว้การปฏิบัติธรำเนี่ยเป็นการสร้างความดีเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอย่าท้อในการทําความดีอย่าท้อในการสร้างบุญสร้างกุศลสิ่งเหล่าเนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของใครมันเป็นเรื่องของเราเรื่องของเราเรื่องปนทุกของเรา ชีวิตเราเนี่ยจะอยู่ตรงไหนชีวิตเราจะอยู่ตรงไหนถึงจะดีถ้าจะเลือกนะขอให้เลือกอยู่ตรงที่พ้นทุกนั่นแหละดีที่สุด